วันนี้เป็นวันที่ย9เมษายนพุทธศักราช2558ห้าสบปดวันนี้พระในวัดของเรายังเหลืออยู่สี่สิบรูปพระสี่สิบองค์ที่นั่งฉันที่นั่งฉันอยู่ณศาลาแห่งนี้ก็เมื่อวันที่ย7สบเจ็ดที่ผ่านมา <c oughs> พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทุกองค์ก็ได้เห็นการงานวันเกิดของหลวงพ่อที่ผ่านมารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมล้นหลามหลวงพ่อเองก็ได้คือวัดของเราจัดงานแต่และครั้งก็ได้มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์เข้ามาร่วมงาน เราก็จะต้องมีน้ําใจมีการทําบุญทําทานกับพระสงฆ์น้องหนุ่งทางหลายที่มาร่วมงานหลวงพ่อเองก็เห็นพาพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทําบุญทําทานการเสียสละหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นการที่อยู่ด้วยกันมากมายหลายคนก็ต้องมีการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันไปแค่บ่า ทำบุญทำทานเสียสละพอเราพอมีเราก็เสียสละให้กับผู้ที่ด้อยกว่าหรือที่ถึงจะด้อยกว่าก็เถอะนะแต่บางท่านบางคนอาจจะไม่มีในสิ่งที่เราจะให้เนี่ยท่านก็รับไปอย่างที่หลวงพ่อแจกยาปทัทวีเมื่อกี้เนี่ยแต่บางท่านบางคนก็เป็นหมอแลือเป็นผู้รู้จักเรื่องของยา แต่ว่ายาประเภทนี้ที่หลวงพ่อแจกหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่มีถ้ามีความจำเป็นเวลาเจ็บปวดท้องกลางค่ำคืนหาสาเหตุไม่ได้เป็นยาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เราใช้ได้ผลมาแล้วไม่เป็นพิษเป็นภยัยมันเหมือนกับยากฤษตสนาสมัยเก่าแก่เนี่ยอันนี้เราแจกไปอันนี้เรายังไม่ได้ถึงเรา จะเป็นร้านขายยาบักใหญ่เบเล่อเปลา ก, ก็เถอะแต่ยาอันนี้ไม่มีเราก็รับไปให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันการทำบุญทำทานครูบาอาจารย์ที่มาในงานของหลวงพ่อตลอดถึงพี่น้องประชาชนที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่างานของหลวงพ่อพวกเราจะแจกแบ่งอะไรให้กับพี่น้องประชาชนเสียสละน้าใจ หลวงพ่อก็ไม่ว่าเน้อทมีแต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเองถ้าทำไปจนเดือดร้อนตัวเองพอทำเสร็จแล้วขนนกฟุตกับฟาดกับเฟียดกับฟาดว่าตัวเองได้ทำไปทะเลาะกับหมูกับเพื่อนอันนั้นไม่ดีถ้าใครทำอย่างนั้นบอกมาเสียใจเรื่องการเสียสละใช่ไ้ยบอกมาเดี๋ยวหลวงพ่อจะทอดจะแทนทุนให้แต่หลวงพ่อซื้อซื้อตรงที่ว่าอย่าทะเลาะกันเท่านั้น ต้องสบายใจในการทำบุญทำทานอย่าทะเลาะกันถ้าใครทะเลาะกันบอกมาต้องการอะไรหลวงพ่อจะแทนทุนให้ในจุดนั้นที่จุดมันทะเลาะกันนะั่นแะหลวงพ่อคิดถึงขนาดนั้นนะนรัตถ า, ายาิโยมลูกหลานในเมื่อการเสียสละกระย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพี่น้องประชาชนสี่หมู่บ้านหกหมู่บ้านไม่ใช่สี่หมู่บ้านเพราะเขาแบ่งเป็น หมู่บ้านแบ่งเป็นสองผู้ใหญ่บ้านก็มีพอแบ่งเป็นสองก็จะว่าเป็นหแต่ตามไม่จริงเป็นหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านสองก็แบแบ่งเป็นเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่แหละรวมแล้วเป็นหกหมู่บ้านที่พระสี่สิโรบอย่างวันนี้แหละไปบิณฑ บ, บาตใน6กหมู่บ้าน แล้วก็หมู่บ้านเหล่านั้นลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้ได้ใส่บาตรบ้างผู้ไม่ได้ใส่บาตรบ้างอันนั้นเป็นธรรมดาแต่ถือยังไงเขาก็เป็นหมู่บ้านของเขาที่ทาบุญดูแลพระสงฆ์คือวัดของเราเนี่ยมีสี่สายการบินบินธบัตมีสายมสีสีการบินสี่สายการบินพอบินธบัตแล้วก็มารวมกันอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ย จากนั้นก็แจกจ่ายอาหารตักบาตใส่บาตเฉลี่ยกันทามันเหลือจากการของพระแล้วก็เอาศรัทธาญาติโยมที่มาก็เลี้ยงกันพอเลี้ยงกันเหลือแล้วก็เอออามันเหลือออกไปชาวบ้านพี่น้องประชาชนผู้ใดจะนําอาหารที่เศษที่เหลือจากพระสงฆ์หรือก็นักศรัทธาญาติโยมทานแล้วเออเอาไปพออันไหนพอจะกินได้ก็เอาไปกินไปในบ้าน ใส่ถ้วยใส่ชามไปกินในบ้านลูกหลานแต่อันไหนที่มันจะเสียหายจะเกิดประโยชน์กับ <c oughs> พวกสัตว์สั้นลายเสียงหมูหมากาไกพวกลิงพวกข่างบางชนีก็แจกกันไปคือไม่ให้เสียประโยชน์ในการที่ได้ให้มาแล้วอันนี้ก็คือที่พวกเราบริหารจัดการอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นอย่างกล้วยได้มาเนี่ยเอาให้ลิ้ยงบ้างข้าวเหนียว ปรปโยน์ให้ลิงบงังลิงก็หลายร้อยตัวในวัดของเราทั้งลิงข้างบางชนีพวกสัตว์พวกกระรอกกระแตนี่คืออาหารที่เราได้มาโดยเป็นธรรมแต่นี้พวกพี่น้องชาวบ้านทางไกลยอย่างกรุงเทพต่างจังหวัดแถดวภาคกลางหรือทางขอนแกน่นอุดรผู้มีศรัทธาบอกว่าหลวงพอ่อ พวกผมอยู่ทางไกลไม่ได้มาทำบุญกับวัดของเร า, เามีแต่สงจตุปัจจัยมาทำบุญก็จริงอยู่ส่งมาถวายพระโดยตรงแต่พวกผมจะแบ่งบุญเอากับพี่น้องประชาชนชาวบ้านทั้งหหมู่บ้านาพวกเราจะซื้อข้าวสาร เ, าเหนียวข้าวสารเจ้าแล้วก็น้ำปลาน้าตาลน้ามันพืช จัดเป็นถุงๆมาแล้วก็แจกให้พี่น้องประชาชน่4 6หมู่บ้านทั้งหมด6หมู่บ้านเป็นเงินเป็น911เง911หลังคาเรือนแต่ที่แรกเขากเน้นไปทางคนที่ยากจนใครที่ยากจนไม่มีอันนี้เพราะว่าในหมู่บ้านเขาชุมชนที่ร่ำรวยเขาก็มีอยู่แต่ที่ยากจนเราจะให้เน้นไปทันทางคนที่ยากจน หลวงพ่อกอกอําเภอนายโยงหกหมู eters, ่บ้านนะดูๆแล้วก็ไม่มีเป็นเศรษฐีสักคนด้นแล้วก็เป็นคนที่ยากจนทั้งหมดนั่นะถ้าหากว่าทั้งอยู่ที่อยู่อําเภอแล้วก็ถ้าพวกท่านจะให้ก็ให้ตั้งแต่นายอําเภอลงมายากจนด้วยกันทั้งหมดไม่มีร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้านสักคนเราเอาน้าใจแจกน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนเขาก็ครับ จากนั้นก็ได้จัดขึ้นมาทั้งหมด911ครัวเรือนนะก็แจกไปแล้วเป็นที่พอใจอบอุ่นอันนี้ก็คือในเมื่อพี่น้องชาวบ้านเขาตักบาทใส่บาทพระสงฆ์ทุกวันแต่พวกเรามีน้มใจต่างๆที่ต่างถิ่นมาเราก็ให้ไปเพียงนิดหน่อยแต่วันที่ น, น่อยเราให้เป็นส่วนมากนะ มันกลุ่มใหญ่หมดไป4ี่ 0,000 กว่าบาทเหมือนกันนะฟังฟังพูดเกือบห 0,000 นะนี่แหละอันนี้คือส่วนนึ่งสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกพวกสู้เจ้าให้แต่อาหารอย่างเดียวเลี้ยงแต่ร่างกายถึงจะเลี้ยงไปก็เลี้ยงไปเถอะเลี้ยงร่างกายเน่ยเดี๋ยวก็เห็นฟันหลุดเดี๋ยวก็เห็นผมขาวเดี๋ยวก็เห็นหนังเหี่ยวเหี่ยวก็เห็นตาฝ้าฟางเดี๋ยวก็เท่าแกไปเรื่อยเรื่อยเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงนะขนาดไหนก็เลี้ยงเถอะ ผลในสุดก็เป็นนอนขยับขยื่นตัวไม่ได้อย่างมื้อเช้าถามว่ายายน้ำไปไหนยายแก่ไปไหนลุกไม่ได้แล้วนะเป็นเก้าสิกว่าปีแล้วลุกไม่ได้นอนกับที่มีแต่ลืมตาอยู่เฉยนะนั่นแหละเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงไปขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงหรือไปเลี้ยงไ ป, เ ล, งไปเลี้ยงไปก็แก่พอแก่ขยับขยื่นไม่ได้ผลในสุดก็จะทำอย่างไงได้ชีวิตนะไม่ว่าท่านไม่ว่าเราตัวตายเลี้ยงชีวิต เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะถึงจุดจบหลวงพ่อว่าเออเอาสูเจ้าเลี้ยงร่างกายแต่หลวงพ่อจะเลี้ยงธรรมะทำเอ็มพีสามหนังสือคู่กันไปแต่เราจะไปมองข้ามในเลี้ยงอาหารก็ไม่ได้อาหารก็จาเป็นสำคัญแต่มีแต่อาหารอย่างเดียวไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจคนที่ขาดธรรมะคนที่ร้อยธรรมะคนที่มียั้งคิด เสียหายได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างอาหารกายอาหารใจควรจะไปด้วยกันอาหารกายก็คือนะ่ะข้าวน้ําโภชนาะอาหารอย่างที่แจกกันนะ่ะเมื่อเลี้ยงกันไปแล้วก็นะจากนั้นก็เลี้ยงอาหารทางใจหลวงพ่อเอาพิมพ์หนังสือ MP3 แจกพี่น้องประชาชนดูวยซึ่งเพื่อได้ฟังได้อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็สิ่งไหนที่ควรคิดควรทําควรพูด คิดดีทำดีพูดดีในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ทำอย่างไรเนี่ยเลเอาอาหารเข้าสู่จิตใจและที น, นี้นดังนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พิมพ์หนังสือแล้วก็เอ3สแจกในงานนี้นะเสนี่หมดไปประมาณ4ี่แสนกว่าคนะณะทัทธทยญาติโยมทุกหลานนะของโอลิมปัส มาจากโอลิมปัสโดยตรงเลยมาจากกรุงเทพโรงงานโนะอลิมปัสไม่ใช่ออนป้า ah. บริษัทอ่อนป้าที่ทำเครื่องนะแผ่นซีดีหมดไปสี่แสนกว่าบาทปีแต่ปีละปีก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าหนังสือหนังสือก็อพิมพ์มาจากนั้นอีกหนังสือธรรมะ เรื่องกิตภาวนารวมกันก็สี่แสน 4, กว่ารวมกันและสองรายการที่ให้ธรรมะเนี่ยเก้าแสนห้าหมื่นกว่าบาทให้ให้อาหารโยมให้อาหารสี่แสนสี่แสนกว่าบาทแต่ น, นล้วชาวบ้านเขามาขอเต็น์อีกหลวงพ่ อ, อยังเอือด เต็นท์เมื่อเขามีการมีงานขึ้นมาคนล้มคนตายบ้าง เ, เขาไม่มีอันจะ ก, กั้นกลางในหมู่บ้านของเขาก็มาขอเราหลวงพ่อให้อีกหมู่บ้านละ2เต็นท์อีก เ, อเต็น 1, 000, 3, ท์ละ 13,500 บาทรวมแล้วก็แสนกว่าบาทเหมือนกันฮะนี่แหละอันนี้ก็คือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็คืออาหารกายอาหารใจแล้วก็อำนวยความสะดวกความสุข ให้กับพี่น้องประชาชนต้องฝายพระสงฆ์ไงฝายพระสงฆ์ที่มาร่วม ง, งานหลวงพ่อมองดูแลพระสงฆ์น้องลุงทั้งหลายที่เกิดใหม่ที่ใหญ่ที่หลังท่านรุ่นพี่ไม่เลี้ยงรุ่นน้องกูบาอาจารย์ไม่เลี้ยงลูกแล้วจะเป็นยังไงหลวงพ่อก็ออเออเมื่อลูกน้องพระสงฆ์เข้ามาแสดงมุทิตาสักกะในงานของเราเราก็ควรจะมีน้าใจในวัดของเราจะตุปัจที่ ศรัทธาญาติโยมถวายมากน้อยนะี่ะเท่าละหเทละบเทละ1 0อยสองสรอผู้มีศรัทธามากให้ให้มาเราก็แบ่งแบ่งสงเคราะห์นุเคราะห์โรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่จำเป็นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าจะบรรยายไปแล้วกว่านู่นหลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหารวันนี้ทั้งเกี่ยวกับไอหมูนิธ ดูแลพระสงฆ์อาพาธแลว้วก็เรื่องต่างๆหลายๆอย่างแต่ที่นี้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการถวายพระสงฆ์หลวงพ่อเ็เบิกปัจจัยมาเอามาให้พระเอาถวายพระเนอหลวงพ่อมันได้สนใจหรอกให้พวกท่านทั้งหลายพิจารณาเฉพาะว่าพระที่มาอยู่นนวัดของพรหลวงพ่อโดยมาก 10, 20, สาิบยีพันศา30พันศาทั้งนั้นให้ช่วยกันคิดหลวงพ่อก็มอบให้ จากนั้นท่านก็ถวายพระสงฆ์ที่มาในงานทางไกลมาจากนน่นภูเก็ตพังงาแถวภาคกลางถ้าเป็นพระผู้ใหญ่อ้าวถวายองค์ละหมื่นเนอเป็นค่าน้ํามันรถค่าเครื่องบินท่านท่านมีน้ําใจมาหาเราถ้าอยู่ใกล้ๆแถวนี่ก็องค์ละพันสองสามพันเป็นค่าน้ํามันนี่แหละแต่ขนาดนั้นก็เถอนะนักนัศรัทธาญาโสมลูกหลานหมดไปเจ็ดแสนกว่าเงินหนึ่งล้านน่ย ที่เอาเตรียมมาเพื่อนหนึ่งล้านยังเหลืออยู่2องแสนห้าพอสองแสนห้าทีนี้หลวงพ่อก็ตกลงก่อนหน้านี้ว่าจะถวายสร้างศาล า, าที่วัดซำขามถ้ำยาวอำเภอ น, น้มผ่องจังหวัดขอนแกน่นหลวงพ่อจะมอบให้สองแสนแต่ท่านไปมอบแล้วท่านไม่อยู่ท่านไปอินเดียแต่เมื่อวานะท่านท่านมาเออลุงพ่อมอบให้สมุด เป็นอันว่าเงินหนึ่งล้านเลยยังเหลือเงินอยู่ห้าห0ื่นเท่านั้นแหละลูกหลานนะนี่แหละอันนี้เราคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ไม่ได้เสียใจพอทําเสร็จแล้วก็ดีมีประโยชน์เพราะเราได้มาโดยเป็นธรรมเราก็แจกจ่ายไปโดยเป็นธรรมให้กับพระสงฆ์วัดวาศาสานาพี่น้องประชาชนแต่พูดทางนี้ทั้งนั้นที่หลวงพ่อพูดให้คณะตถาญาติโยมลูกหลานฟังหลวงพ่อไม่ได้คิดขอนะ เ, เพียงแต่ว่าเล่าให้ฟังนี่แหละการแบ่งปันของวัดวาศาสนาหรือวัดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อแบ่งปันยังไงทําไม่พูดให้ฟังหลวงพวกเราคณะทาญาติโยมทั้งหลายก็คงจะคิดหวังจะตุปปัจจัยที่ได้ม า, าถาวายหลวงพ่อหลวงพ่อคงจะหักคอเนบพกไว้เลยเไม่ยอมให้ใครเลยเแล้วเอาไว้ใช้ในวัดของตัวเองทั้งหมด ไม่ยอมแบ่งปันให้กับใครนี่แหละถ้าว่าหลวงพ่อไม่พูดพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะคิดคิดไปในลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อพูดให้ฟังอย่างนี้ก็เหมือนหลวงพ่อขี่อวดทำไปแล้วกันอวดน้างให้คนคู่ขนได้ฟังขี่อวดอีกต่างหากมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าคนไม่ไม่ยอมฟังไม่ไม่ยอมเข้าใจนะ พูดยังไงก็มันมันก็ไม่ยอมเข้าใจเพราะไม่อยากเข้าใจนะไม่อยากจะฟังถ้าคนที่มีเหตุมีผลแล้วก็ต้องฟังเอาไว้เออการสงเคราะห์อนุเคราะห์อของพระสงฆ์เนี่ยอวัดป่าศาสนาในพระกรรมฐานเนี่ยสายของหลวงตาเนี่ท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์แบบนี้กันเนาเราก็จะได้รู้นะ <c oughs> อันนี้คือทางด้านวัตถุแต่ส่วนส่วนด้านนามธรรมาคือทางด้านจิตใจอันนี้แหละอันนี้ส่วนนี้ก็สํา จำเป็นสำคัญเหมือนกันนะ อ, อ, อย่างเดียวนี้พวกเราได้ยินต่างประเทศประเทศเนปาลเมื่อวันที่ยี่สิบห้าแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลบอกว่า 8, เจ็ดจุตอปดลิตรที่หลวงพ่อได้ยินนะคนตายคือแต่หนังสือพิมพ์เขาก็พูดเวอร์เกินไปนะ จ, ะจะเหยียบหมืน่นอาจจะถึงก็ไม่ทราบเหมือนกันบางคนมันมากนะ นี่แหะทุกยากลําบากไม่ใช่นห้อยเหมือนกันจุดนี้เป็นเมืองของพระพุทธเจ้าอีกต่างหากนะเป็นเมืองสิทธษฐะที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกต่างหากทําไมอธรณีจึงพิโรธถึงขนาดนั้นมันเรื่องอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคนลม้มคนตายเยอะแยะแผ่นดินทําไมไหวแรงถึงขนาดนั้นแต่ถึงยังไงก็าตามนะีหลวงพ่อเห็นว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็ควรจะช่วยสงเคราะห์ อนุเคราะห์เหมือนกันนะั่นถ้าผู้อยู่ใกล้แต่ถึงยังไงก็ต้องการสงเคราะห์จุดนี้มิจฉาชีพทั้งหลายมันมีนะมันทุกเรื่องราวถ้าหาว่าพี่นะัก็เปิดนะออกมาเนะี่ยสงเคราะห์เนปาเนอนระ์ตัวเองก็เปิดบัญชีห ล, ลอกเขานะเอาเงินเข้าบัญชีอย่างนี้ก็มีอีกเหมือนกันทำไมมันเลวถึงขนาดนั้นถ้า ต, ตามไม่จริงก็ พวกเราอ็ก่อนจะทำบุญในเรื่องอย่างนี้ก็ต้องสืบสอบให้ชัดเจนซะก่อนนะก่อนที่จะทำอะไรลงไปไม่ใช่ว่าจะทำแบบคิดเปิดปเป่ามากระโยนลงไปบางทีเข้าปากมิจฉาชีพไปอันนั้นก็ไม่ดีเหมือนกันนะเพราะนั่นการที่จะทำบุญต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบครอบพอสมควรที่จะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์แต่ตามที่ยิงหลวงพ่อว่าควรอนุเคราะห์่ะ ข่าวนั้เป็นข่าวที่อจําเป็นสําคัญอย่างมากแต่มีบางคนก็ออกมาเอ้ยพระทําไมดัดจริตอไปสงเคราะห์ตัวเองก็ยากจนพอแรงเป็นพระขอเขากินพอแรงยังไปบริจาคให้คนทุกข์ยากอีกต่างหากหลวงพ่อว่าคิดอย่างนั้นผมันก็คิดไม่ถูกนะหลวงพ่อวะเหมือนกับเราอย่างหลวงพ่อนี่ เดินไปเนี่ยเป็นคนขอทานเน่ะพระเนี่ยคือขอเนี่ยมันพิกขุไปว่าผู้ขอเนีไปได้กล้วยมาสองใบตัวเองก็ได้กินใบหนึ่งก็เห็นคนหนึ่งข้าแมวข้แมวข้แมวอยูออ่พ่อไม่มีอาหารกินเออหลวงพ่อก็เห็นถึงเราจะไม่อิม่มถ้ากินกล้วยใบหนึ่งก็ควรจะแบ่งให้อีกคนหนึ่งเอากินนะ เ, เพราะตะแก่ก็หิวมากเนะในเมื่อตะแก่คนนั้นคนคนนั้นะ ได้กล้วยอีกใบหนึ่งจะจากเราไป เ, เขาจะยกมือแล้วยกมืออีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเพราะอะไรเพราะว่าเรามีน้ำใจกับเขาแต่ถ้าาว่าเรามีกล้วยใบหนึ่งกินแล้วแล้วเอาไปให้เศรษฐีเขามีเงินนั่งรถโ ล, ลสลอยมาแล้วมองยาจกอย่างเราเนี่มองอีกตาเหล่ออีกแบบหนึ่งเราเอากล้วยให้เขาเขาก็เท่านั้นเท่านั้นล่ะ เขาไม่ได้ยินดีอะไรเพราะว่าเขาไปถึงกับอดก็อยากเพราะเหตุไรเพราะเขารวยอยู่แล้วแต่ถ้าให้กับคนยากจนเนี่ยมันมีคุณค่านะเออย่างที่เนปาลเดี๋ยวนี่เขาต้องการความช่วยเหลือเ อ, อจะเป็นใครก็ตามจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามจะเป็นศรัทธาญาติโยมผู้ใดก็ตามในเมื่อสงยืดมือเข้าไปไปช่วยเขานะเ อ, อถึงเขาจะไม่เห็นหน้าเห็นตาเราก็เถอะเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณเ อ, อผี่น้องประชาชน ชาวไทยที่ได้ช่วยเหลือเขานี่นี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่ามีน้ำใจต่อกันดีกว่าดีกว่าที่ได้เงินมาแล้วเนี่ยเงินเดือนมาแล้วคนนู่นไม่มองไม่เห็นใครเงินเดือนออกมาแล้วทั้งสุราทั้งนารีภาชีกีฬาบัตรอบายมกทกอย่างไปทำอย่างนั้นที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษยชาติที่ตกทุกข์ได้ยากมองไม่เห็น อันไหนดีกว่ากันให้พวกเราคิดดูสิหลวงพ่อเนี่ยมองไปทางคนยากจนแต่ช่วยเหลือกันในข่าวจําเป็นในความข่าวสุกเฉินในคราวเมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากจะเห็นคุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกีการสงเคราะห์อนุเคราะห์เพื่อนมนุษยชาติเพื่อนมนุษย์โลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหลวงพ่อว่ามีประโยชน์นะคณาจารยา์โยมลูกหลาน การสงเคราะห์เมื่อเขาตกทุกข์ก ย, ยากนะและก็พร้อมกันอันนี้คือการอยู่ด้วยกันในมวลมวลมนุษยชาติแต่ถึงยังไงถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดความตายกับมีกับทุกคนแต่หลักของพระพุทธศาสนาถือว่าตายแล้วไม่สูญนะจุดนั้นละ่ะจุดที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะศึกษาอย่างมากใน ต, ตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาตรัส พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์สายหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังทกกองเลยท่านยืนยัดยืนยัดเราตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกเอา้าท่านเอาอะไรมาพูดเราต้องศึกษาจุดนี้มาถามหลวงพ่ออินนี่ก็เถอะหลวงพ่ออินนี่ก็บอกว่าตายแล้วไม่สูญนะศรัทธาญาติโยมนะพูดแล้วพูดดกให้พวกท่านท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะพิสูจน์นะ ตายแล้วเกิดเลยตายแล้วสู่ในนั่งภาวนาเนอะนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบนั่งขัดสมาธิเหมือนกับพระประธานแล้วกาหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทมีสติอยู่กับตัวเองเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจะรู้ได้ว่าร่างกายนีย่เหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถ มองดูที่มันเป็นยังไงเห็นได้ชัดเลย น, นี้เนี่ยตัวคนขับรถนะโซเฟอร์ตัวนั้นแหละสำคัญใหนหลักของพุทธศาสนามโนปุพังคัมมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายโซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยโซเฟอร์โซเฟอร์จะขับรถกันนี่ตกชนต้นไม้ก็ได้ชนคนก็ได้โตตรงน้าก็ได้ขึ้นผอชนล ง, ลงเหวก็ได้เออเนี่แหละ โชเฟอร์เป็นใหญ่ในรถคันนี้เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจะให้ความสําคัญมโนคือใจมโนปุพังคมาธ ร, รมมามโนเสรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจทางวันหลวง พ, พ่อพูดว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่เดี๋ยวเขาจะหาว่าหลวงพ่อ เ, เอาแปรบาลีโคกมาจากไหนจะหลวงพ่ออินนี่ยจะว่าอย่างนั้นอีกนะหลวงพ่อจะบอกว่ามโนคือใจ ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยใจนั่นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆใจนั่นแหะเป็นคลังของบุญใจเป็นคลังของบาปถ้าพวกเราทํากรกรมชั่วกรชั่วกะไหลเข้าสู่ใจไหลเข้าไปหาโซเฟอร์ถ้าเราทําความดีความดีกับไรเข้าไปหาโซเฟอร์โซเฟอร์ก็ได้รับความดีเนะี่ยเหมือนกับโซเฟอร์รถเนี่ยออกจากรถได้รถมาเนะี่ยเออเอารถไปชนคนอื่นเข้าเนี่ย เป็นยังไงโซเฟอร์ก็ต้องติดคุกใช่ไหมล่ะติดคุกติดตารางถ้าโชเฟอร์ไปที่ไหนได้เงินมากระจาคู่คนเ อ, เอาคู่คนนั่งรถไปด้วยคนทั้งหลายเขาก็โอ้โซเฟอร์เนี่ดีมากมีคุณธรรมศีลธรรมช่วยเหลือชุมชนสังคมนี่แหละอันนี้แหละคือหลักของพุทธศาสานาวันนั้นขอให้ฝากไว้กับพี่น้องประชาชนจัตตาราติโยมทุกๆกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเกี่ยวกับ วันขวัญหลงขวัญหลงมาจากวันเกิดของหลวงพอ่อวันที่ยีสิบเจดแต่วันนี้เป็นวันที่ยี่เก้านะหลวงพ่อได้ชี้แจงให้คณะทศัทาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังแต่บางคนก็อาจจะขวางหูขวางใจก็ได้แต่ที่ยังไงทําใจทําใจให้เป็นกลางกลางไว้ก็ดีนะพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเาพราะว่า นานาจิตตังนานาทัศนะหลวงพ่อก็คือจิตหนึ่งทัศนะหนึ่งที่ได้พูดได้กล่าวให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเพื่อได้ยินได้ฟังเพื่อไปการเร็นรู้ศึกษาถ้าเราไม่พอใจแล้วก็ปิดหุซะจะไปอยากอะไรปิดโทรศัพท์ซะปิดวิทยุซะปิดเฟซบุ๊กซะไม่ฟังก็จบเท่านั้นแะหลวงพ่อไม่ใช่ว่า พูดให้ฟังแล้วไม่เปิดเฟซบุ๊กไปโพสใส่หูพวกเราอยู่ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> เอาละผ่อนนะทนีนะีานะพระสงฆ์อนุโมธนาให้ผ่อน